อันไหนเกก่อนพรบวจิีมรรคเกิดก่อนแล้วทำไมในคำวิจิตรมรรเล่นสี่ยังอ้างคำพิีิตมรล่นสีัญอาอคำพนจนตรมรรคลนสียังอ่านิดก่อเกิดก่งอ่านคำพิจตรรเล่นส่ยังอ่านคำพิจิมารคลานสี่ยังอ่านคำพิรมรรคสี่ยังอ่านพิจิตรมรรคเลนส่งานคำพิจิตรมรรเล่นสีังอานคำิจตรมรรคเล่นสี่งอ่านค้พิมล่นสี่งอ่าคำพิตรมรรคเนี่ยังอ่านคำพิจิตรมรรคเล่มาว่ อไปไปโดนปัญหาที่สําคัญสําคัญเกี่ยวแต่หนังสือที่ผมบรรยายหรือเียบเรียงแล้วอามารยจะเขียนปัญหาเหล่านั้นมาถามจะอนุญาตให้ถามได้ไหมถามได้ครับเมื่ออาจารย์อนุญาตก็แล้วไปอนุญาตแล้วจะเขียนมาถามว่าได้ที่ไหนกรุณาให้บอกเลขที่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่ให้รู้ด้วยก็เขียนมาได้ที่มหมามกุทราลวิทยาลัยวรวิาวาเวสเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นทางเป็นตรงที่สุกครับที่นั่งเพราะผมต้องไปบรรสอนอยู่เป็นประจำนะครับ คําว่านิพานแปลว่าดับจากกิเลสไม่มีเชื่อหรือว่างเปล่าแต่มีสุภาษิตบทหนึ่งว่านิพานนางปรมาสุขขังแปลว่านิพานเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วอะไรเป็นสุขเพราะนิพานแปลว่าดับหรือว่างเพราะไม่มีอะไรจะเป็นสุกกินเป็นปรมาสุขขังสิครับถ้ามีอะไรเป็นสุขแล้วก็ยังมีเวทยิบสุขมาเป็นเวทยิบสุกก็ยังเกี่ยวกระขังยังมีขันงอยู่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปรมาสุขขังไม่ใช่แล้วเพราะเหตุที่เราไม่มีอะไร ที่จะมาเป็นเวทนาสเสมอเข้าไปเสหอดิละจริงเป็นปรมาสุกถ้ายังมีเวทนาตัวเข้าไปเสอยู่ตราบใดยังไม่นับถือเป็นป ร, ปรมาสุกตราบนั้นคํานี้เป็นสานวนความมนุษย์เราเนะ่ยติดติดกันนะักถ้าพระองค์จะชี้ไปตรงตรงว่าสนติพานนะ่ะดับเวทนานะเวทนาของอนุปาทิเสสะนิานทานธาตุคำว่าดับเวทนาในที่นี้หนะมายถึงอนุปาทิเสสะ น, นะครับไม่ใช่อนุอปาทิเสสะอุปาทิเสสะน่ะเรายังมีจิตมีใจยังเสวยอารมณ์อยู่เรารู้ว่าสุดแค่ไหนสันติพาน แต่ว่าอนุปาทิเสสะที่หมายถึงความว่างความสงบอย่างยิ่งเนี่ยหมายถึงว่าไม่มีเวทีประสุกพ้นจากเวทีกระสุขแล้วนั่นแหละจริงเป็นบรมสุขอันนี้เป็นข้อมูลเพราะมรุกเรากระสุกถ้ามรูษอย่างนี้เราเราไม่อยากจะได้อีกทานเราไม่สนใจนี่มนุษเราอะไรก็ชอบเอาความสุขไว้ก่อนจริงจัดสุที่ไคยฟังว่านม่ไทานอ่ะเป็นบรมสุขนะบรมสุขตัวเป็นบรมสุขจริงจรคือว่าเมื่อเป็นอุปาทิเสสะที่ยังมีเวทนาอยู่ก็เป็นบรมสุขทังตาเห็นแล้ว กิจเศริจเอาในทางในอารมณ์ก็สุขนักหนาแล้วคราวนี้พราะอะ อ, อนุปาทิเสสะดับซึ่งตันจะขันได้ยิ่งบรมสุขใหญ่พ่อเหตุที่ไม่มีขันทุกอย่างนี้ครับท่านผู้หนึ่งถามมาว่าอคําว่าสหาภาพโซเวียตมีความหมายอย่างไรอธิบายให้ทราบด้วยคําว่าสหสหพันธ์มาเลเซียมีความหมายอย่างไรอธิบายให้ทราบด้วยคล้ายคลึงกันแหะครับ ส า, าพันมาเลเซียหมายถึงการรวมตัวกันอย่างหลวมๆของบรรดารัฐซึ่งเคยเป็นเอกราชมา ก, ก่อนเช่น ว, ว่าประัดบางรัดเชียสิงคโปร์เดินเข้าไปเอกราชและภายหลังก็มายอมรวมกับมาเลเซียแล้วก็มาแยกกันอีกแล้วนี่หรืออย่างบรูไนมีโทวการสืรครองเป็นเอกาชิปัตดอยู่ในความพิทักษ์ดูแลหองอังกฤษพออังกฤษปล่อยมือให้มันะอยูเป็นเอกลักษณ์เขาเมือ่อมล า, ายูก็ต้องการจะตั้งสาพันมาเลเซียขึ้นมา เขามีหนังสือเวียนไปถามความเห็นบรรดาชนชาติต่างๆที่พูดภาษามาเลยูเช่นพวกแค้นบรูไนลิสตาร์วะเป็นต้นข้าวเหล่านี้เขาก็ยอมเป็นการรวมกันอย่างลุ่มหลวมมีอุดมการณ์ร่วมกันเศรษฐกิจการเมืองร่วมกันด้วยประช า, าพันธ์มาเลเซียชนชาภาพโซเวียตนะหมายถึงว่าบ้านข้นต่างๆซึ่งวัตเสียไปตีได้ยึดบ้านเป็นเมืองขึ้นแ ล, ล้วรวมกันเข้าเป็นชาภาพเพราะมันตีได้หลายข้นวหลายลัฐหลายเมืองด้เกินคนต่างชาติต่างศาสน า, ต, า, าต่างภาษา รักษาภตษีได้มึงขึ้นก็เลยเอามารวมกันด้วยวัฒาธรรโซเวียตต่างกันสาพันธ์มาเลเซียอย่างนี้อ่าท่านสมุขเข้มพละธรรมโมถามมาว่าพุทธศาสนาได้แผลเข้ามาเป็นข้างแรกที่นครชินธรรมราชก่อนหรือว่าที่นครปฐมก่อนและใครเป็นผู้จัดที่ดินเป็นข้างแรกและเมื่อพศสท่าอไรที่นครชินธรรมราชฎไม่ได้แผลมาก่อนแล้วครับลัทธิลังตาวงแผลเข้ามานครชินธรรมราชก่อนเป็นแห่งแรกในเมืองไทยก็คูออย่างนี้ไม่ใช่พุทธศาสนานะครับ พุทธศาสนาแบบลังตาวงแบบที่เขาทำทำละกันมาเมื่อแผ่นมือจ้ญญ า, าสรารกมภูชชะมหาราชได้เข้ามาตั้งเป็นแบบแผนเป็นขั้งแรกแผ่เมืองนครส่วนพระโสดาภูตรนะน่ะเอาเข้ามาตั้งแต่พศสามร้อสี่นครปฐมก่อนตอนหน้าเมืองนครจะเกิดก่อนหน้ามืองนครจะเกิดมืองนครเพิ่งจะมาตั้งเป็นประเทศขึ้นเราลาวพศหนึ่งพันลุกแล้วเรียกว่าประเทศตามพะรีตามพลรี มีกษัตริย์เชี่ยวงใส่สีนี่ชายปกครองอยู่กษัตริย์องค์สุดท้ายที่พระเจ้าจันทรพนุกเป็นผู้สนับสนุนพุทธศาสนานิ่กายลังตาวงเพราะนั้นลังกาวมจึงเข้ามาเมืองไทยจึงเมืองนค ร, น ร, คนรสิทธิมราชก่อนต่อพุทธศาสนานแบบพระเจ้าอโศกนะ่ะเข้ามาที่นครนะครปนะนะผมก่อนและถามว่าครั้งนั้นกษัตริยนะ์นครปมเป็นใครไม่มีชื่อปรากฏในประวัติเล่นใดศิลาจาชลกแผถันใดไม่ปรากฏชื่อนั้นชื่อมไม่ปรากฏ ค์ไทยที่ถอยมาจากพื้นแผ่นดินใหญ่จีนนั้นนับถือาศาสนาอะไรมาก่อนนับถือพุทธศาสน า, ามาก่อนครับผมได้กล่าวมาแล้วว่านับถือพุทธตั้งแต่สมัยนอาณาจักรไอยาวมาถมกษัตริย์ไทยชื่อคุณหลวงเม้าเป็นกษัตริย์ไทยองคแรกที่นับถือพุทธในยุคไอยาวเพราะนั้นคนไทยที่มาลงมาในราชินีโมซินนับถือพุทธมาแล้วแต่ไม่ใช่พุทแบบรังเกาง่าอย่างเราหรือนี่นะเป็นพุทเป็นมหายาณหรืออะไรก็ไม่รู้ที่กายไหนก็ไม่รู้แต่ว่าปนปนโตเตก็ไม่ถือผีถือสางปนปนกันไปแหะนับถือกันมาอย่างนี้แหละ ยังไม่ได้บริสุทธิ์บริบูร อ, อย่างย่งเราหรือนี่ก็แล้วกันไม่เกิพูดแบบเราถ้าพูดแบบแบบเราเดี๋ยวนี้ mm. เ, เคยมีบ้างหรือไม่ว่าพระเทระในเมืองแตกฉานในพัะไตรปิดกและแสงเงินซืออะไรไว้บ้างพระเทระในเมืองข้างในเมืองจีนก็มันครับยังไม่ปรากฏครับเข้าใจว่าการศึกษาในข้างนั้นจะไม่มรุ่งเรืองแพร่หลายเพราะฉะนั้นจริงไม่เคยปรากฏพระเทหละข้างอยู่ในเมืองจีนที่เป็นคนไทยอะ่ะแต่งระดัาําราพระเทหละไทยที่มาจับขีนระดับตาราขึ้น ในสมัยอาณาจักรุโขทัยอาณาจักรเชียงใหม่คือยุคเราบอกเลว่าพศหนึ่งพันเก้าร้อยเศษา 1, 9, 8, เป็นต้นมาเราจึง ม, มีคันาภาษาบาลีแต่งกันขึ้นหนึ่งเลขที่สองศูห้าถามมาถามเป็นปัญหาส่วนตัวบอกว่าอาจารย์เคยปฏิบัติกรรมฐานไหมถ้าเคยปฏิบัติสำนักไหนมาก่อนผมไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานเลยในชีวิตไม่เคยเลยถ้าจะมีบ้างก็เห็นจะเป็นผูกทานงสิกรรมฐานกําัง น, นะฮะซึ่งจะต้องมีครูบาอาจารย์ไหนสอน ต่อพุทธเจ้าทางสอนอยู่แล้วพุทธานุติจะเลยอิมุโสภควยึดเป็นพุทธนันรติอยู่ตรง น, นี้อันนี้ก็ถ้าเป็นถ้าเป็นกรรมฐานก็เป็นพุทธันุเคสติกรรมฐานเท่านั้นเป็นอนิุสีท่นั้นแหละครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เรียงกับสักไายทั้งสิ้นหนึ่งกรรมฐานเนี่ยเยกับพระพจ้าเท่านั้นอพอที่จะเสนอแนะในการปฏิบัติอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเกี่ยวกับหลักทางอภิธรรมที่ศึกษามาแล้วสำหรับหลักทางอภิธรรมนี่นะก็ไม่มีอะไรจะเสนอแนะนี่ครับนอกจากว่าเราศึกษาพระอภิธรรมสังหะเนี่ย กอนอื่นต้องลูกฉันท่าให้แรงไม่เชนั้นจะเกิดกวนพ่อท่อๆทะหรกการันท่อทิ้งไปเสียสองต้องขยันท่องสามต้องขยันอ่านเมื่อขยันท่องขยันอ่านแล้วมีฉันท่าแล้วเราก็รู้เรื่องเองให้เรียนถึงบริเขตหกก็ท่านก็ท่านก็รู้เรื่องครับไม่ละห ม, มาดเลยอพิอภิธรรย่างแบบบริเขตต้นต้นหนึ่งสองสามสามบริเขตนี้อ อ, บฐฐอกบริเขตสีตัวเขตนี่วิธีวิธีสังหาสีบริเขตนี้น่ะถ้าท่านเข้าใจไปแล้วนะต่อไปมันก็ปอกเกล้วเข้าปากจริงๆอ่ะ อ่านได้ตัวเองก็ได้รู้เรื่องมันต้องไปเสียนที่ไหนเลยอ่านตัวเองก็ได้อ่านคำอธิบายได้ตัวเองก็รู้เรื่องแล้วลงทุนแค่สีบริเขตแรกเองอะ่ะขยันท้องขยันอ่านหน่อยเท่านี้เองรู้เรื่องง่ายง่ายครับคุณใายบอก ข, อขึ้นคันอยู่ที่4บริเขตนี่พอพ้น4บริเขตแล้วง่ายจะไปยากอีกทีก็ขึ้นมาผาผานี่ยากมาจำอยู่สี่เนี่ยยากยากแล้วบริเขตต่เนี่ยยากหน่อยขึ้นมาผาผานแต่จำอยู่สีเนี่ยยากทำตัวเลขมันเยอะเข้าต้องํา ถ้าบริเชตสีพื้นฐานไม่ดีมาก่อนแล้วเรียนบริเชตแสบไม่รู้เรื่องเลยเรียนแล้วก็เบื่อนายที่เดียร์พไม่รู้เรื่องเราจะเรียนรู้เรื่องตรงทพื้นฐานให้ดีซะก่อนมันก็ตอกเข็มถูงบริสเชตจังเลยหึงสีนี่ยมันเป็นเข็มสีดอกเข็มสีดอกนี่ตอกแน่นแล้วตึกในคั น, นรับรองครับเข้าใจเรียนยิ่งเรียนิ่สนุกเนี่ยพอยิงย่งเรียนยิ่งสุขุมล่มึกยิ่งสุขมล่มลึกก็ยิ่ง่าคูมใจเวลารู้มากรู้หลักมาก ใครมาไล่เรามันมีโจรในปริญญาของเราเต็มเตมุงเอาหลักการเอาสภาวะมาจาับไล่เราไม่มีจนรับรองประเทศธรรมะคู่เทคคู่อยู่ไหนผู่ที่เป็นอ่าปรวาวภทีงเราเจ๊งที่นั่นรับรองถ้าเรามีความเข้าใจในหลักอริธรรมดีแล้วเราก็สภาวะาลุงที่นั้น้หมดนียครับเหตุผลกับข้อเท็จจริงมีความสัมพันธ์สภาวะแก่กันและกันอย่างไรขอความกระจ่างแม้ปัญหาข้อนี้กว้างแล้วเกินนียครับถามมาที่ว่าเหตุกับผลเนี่ยกับข้อเท็จจริงเนี่ยมีความสัมพันธ์สภาวะแก่กันอย่างไรขอความกระจ่างเหตุผลบางอย่างน่ะ เป็นความจริงแต่ไม่น่าเชื่อบางอย่างน่าเชื่อแต่มันก็ไม่จริงเพราะฉะนั้นนะ่ะเราจะเอาอะไรเป็นประมาณก็พูดอย่างเมื่อท่านถามมาอย่างนี้ผมก็ตอบอย่างนี้แหละครับจบรายการวันนี้พิมพ์ตรงนี้นนะฮะอะไรมากมายนโมพระกวเัยสัจญาสุรุวัยภูริยะประพาราชายะตถาคตายะพระหเตสัมยักษ์สัมพุทธายะโอมภัยเสกเชยภัยเสกเชียภัยเสกเชียสมุรคเตยสว่าะ กระว่าจักเป็นอนันต์มานมหาุกข์ทีได้นั้นทราบแล้วในสุาิตบอกเาว่าพุทธเจ้าสมุทองค์จะอุบัติเฉพาะสมุทรทวนั้นอยากทราบว่าจัวาุัรามีทุเหมือนทุกเราหรือไม่และเป็นทุกข์นเจ้าหไาก็ตรก จักรวานบางจักรวาลก็มีพระพุทธเจ้าไปอุบัติจักรวานที่มีพระพุทธเจ้าไปอุบัตินั้นเรียกกันว่ามงคลจักรวานที่จักรวานของเรานี้มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่นอกจากจักรวานของเหล่านี้แล้วยังมีมงคลจักรวานอื่นนะครับนอกไปจากมงคลจักรวานนี้ต่อไปที่มีพระพุทธเจ้าไปอุบัติเพราะเหตุนั้นจึงมีคำอุตมาว่าคังคานะทีวาลูกโกตมาพุทธา จำนวนพระพุทธะทั้งหลายน่ะมากอุปมาเมื่อหนึ่งเมล็ดทรายในแม่น้ําคงคาเรานับเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาได้หมดไหมว่าดีสี่เม็ดหาว่านับหมดแล้วผมจะนับจำนวนพระพุทธเจ้าให้ดูว่ามีโลกธาตุอะไรบ้างนี่นะครับขอบคุณครับปัญหาข้อที่สองในสารธาตุสังหาเลขสามกล่าวว่าจิสีภาวะหมายถึงแค่สีนักสีที่เกิดเป็นสีนั้นที่ไร้สารพันธุ์ามธราติ ผิกาเมแล้วที่มีกผู้ไม่ิดามยแล้วเนั่นก็ขงโอมากะทีหก้อนนั้กเป็นคนามแฝงปนที่ให้อาจารย์ใชการังจะเทียบในระเทนด้ว่ยอ้าวเป็นตอย่างอ่อนที่ทให้เกิดเป็นหญิงสาวทั้งหลายป็นเรื่องมัจจุบัอาจกรถาจานนะครับทแบ่งแยกว่าเป็นทีสุงอิกฐะแล้วก็โอมากะแล้วก็ให้ผลว่า อามีเป็นมหาบุญาปแล้วจะให้เป็นชายบา้าเป็นหญิงบ้างตามเกณฑ์สุสุนการที่การที่เกิดมาเป็นหญิงอนะ่ะท่านพิจารณาไม่มีที่ไหนบอกว่าทำสุสุนน้อยกว่นะาผูชายที่มาเกิดเป็นหญิงไม่มีเลยในพินะารณาท่านมาลีพิจัรณาไม่มีเลยมั่นมีเอาส ม, ายมัยหมาแต่งอาจารย์ชายหลังมาแต่งแล้อาจารย์ที่ชายหลังมาแต่งนั่อนะ่ะก็มาท่านก็มีสิทธิ์สุสุนคือสิทธิ์สุนหน้าท่านการจะส่งเสริมคนให้มีโอกาสบวดมากมาก มือมื่อมีคนมีคนหมดมากๆพระศาสนาก็ได้แผ่ไพศาลมากท่านจิงจียามที่จะเขียนในแง่ที่ว่าให้กำลังใจแต่บรรดาพรตรีเทศทั้งหลายได้ตั้งปณิธานสร้างกุศลเพื่อหวังเป็นบุรุเทพแล้วจะได้มีโอกาสออกบวชสู่อายุพระศาสนาต่อไปท่านเขียนว่าการสุศลอย่างอ่อนมาทําให้เกิดเป็นหญิงกุศลอย่างแรงมาทำให้เกิดเป็นชายแรงก็อ่อนในที่นี้หมายถึงว่า ชายที่จะมีหวังดูดสุดอายุขศาสนาระที่นั้นถึงจะว่าชายมาเกิดมีอาศัย ส, สูงอย่างแรงถ้าหาว่าเป็นผู้ชายที่เกิดมาแล้วโชคสูงอย่างนั้นสู้หญที่เกิดมาแล้วมีสินไม่ได้เราจะเอาเอะไรมาเป็นเกณฑ์นวัดโดยการแบ่งแยกเพศหญิงเพศชายว่าเพศไหนแลว้วเพศไหนดีก่ากันไม่ได้ต้องอาศาสสัยการกระทำไม่ใช่อาศาสสัยที่การแบ่งแบ่งแยกทางเพศเพราะฉะนั้น การที่จะเกิดเป็นู้ายน่ะไม่ได้ดูที่ว่าเกิดเป็นเพศหญิงดีเกิดเป็นเพศชายดีกว่าทางพุทธศาสนาไม่ได้คิดอย่างนี้ครับที่ผิวว่าทำที่ผิอย่างนี้น่ะเพราะว่าเป็นอิสระบายต้องการจะสนับสนุนที่คนมีโอกาสหวชมากๆแล้วการบวนในสมัยนั้นอ่ะที่สุพิสุองดง่ะอันตระานล่อห่อไปเป็นทีแล้วโอ้ก็ไม่สะดวกนาำนับประการเพราะสังคมอินเดียสมัยโบราณก็ดู หรสังคมในประเทศลังกาสมัยโบราณก็ดีฐานะผู้หญิงอยู่ในฐานะที่ไม่ควจะปลอดภยัยแม้แต่พระสมมาสัพุธิจาก็ยังไม่ควรจะดวงปลอภัยนักที่จะโปรดให้ตั้งพิสุขโยงขึ้นเพราะ เ, เห็นแล้วว่าผู้หญิงไม่ปลอดภยัยไม่ต้องอื่นไกลแล้วครับมีนางพิสุนีที่ถูกเขาข่มขืนนะขนาดเป็นพราอรหันต์แล้วยังถูกเข่มขืนเลยก็อย่างนางอุนบลวรนนาเทรีเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วนะยังถูกม่นันทะข่มขืนเลย เอาโมนาเทเรเนี่ยถูกข่มคืนและพอในนันทกุมขืนพระอรหันติสุมีสําเร็จพอลงจากเสียงอเวจีก็โูดเล่นงานเลยพอมีโศกสังขีเนี่ยคาตาแล้วก็มีนางพิสุนีอีกหลายท่านที่สวยงามมากถึงหวชแล้วก็ยังสวยก็มีพวกเจ้าชู้เจ้าชู้ยักษ์นี่แหละมาขอประจีประจอดักหน้าดักหลังเวลานางพิสุนีออกมิธบาตวันหนึ่งพิสุนีนางหนึ่งถือบาทออกมิธบาติ ที่สุดมีนางนี่เป็นทาสหันแล้วมีเจ้าชู้อยู่ั้งท้งคนพวกนักเลงอ่ะมาคอยดักแหมเธอสวยทั้ัเอวยอย่างนี้นางมีอก็ถามว่าเออที่ชมว่าฉันสวยเนี่ยฉันสวยตรงไหนว่าสวยที่ดวงตาสิแม่คุณดวงตาแม่คุณแวววาวหวานเยิมเป็นตานั้นพีงว่าเอาอยากได้ดวงตาฉันไปไมล่ะเดียู้้องคนนั้นก่อนดีกว่าเป็นการพูดแจคกียวไม่ว่านางพ่สะพานไ้แล้วอยากยากยากได้ พี่สุนีนางนั้นก็ควักุกตาออกมาทั้งสองนี่เอาเอาไปสิอยังได้เอาไปฉันให้ควังมาให้จากเม้าตาลตัวเอาไปอยากได้เอาไปว่าสวยนักอ่ะเห็นเลยตกใจตัวคนพักุกตาให้ก็บอกว่าสวย ด, ดวงตาสวยจะรักดวงตาจะควักตาให้แล้วเนี่ยเนี่ยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลนี่และครับว่าพี่สุนีน่ะลำบากมากการคลองตัวมีพวกอันตพานคอยดักเล่นงานพว ก, นกเนี้ยมากมายเนี่ย เพราะฉะนั้นนายสีขาบทชิงมันญยากให้ว่าพิสุยินจะอยู่วัดโดยที่มีพิสุมไม่ได้ต้องอาศัยอยู่วัดที่มีผู้ายาพระผุ้ชายอยู่จะได้อาศัยกำลังพระผู้ชายคอยป้องกันเวลามีผู้อันตรายมากลุ่นในครั้งวันประกันเป็นอย่างนั้นเลยนี่เพราะฉะนั้นการที่ท่านกล่าวว่าว่าเกิดเป็นชายประเสริฐกว่ายิงน่ะรือเพราะอันตงายแรงกว่าจริงจรงว่าเกิดเป็นชายน่ะในแง่ที่ว่าเป็นชายแล้วมีโอกาสออกหัวเสียภาษาศาสนารอกไม่ได้หมายความว่าหัวไปเป็นสาธารณณะหรอกครับ ปัญหาข้อดีสามปัญหานี้รู้สึกว่าจะยาวหน่อยนะครับที่พระพุทธเจ้าตรัสในสัจจคโยมกว่าอาพักพักบุคคลที่สู่สุขสุขแห่งตุตตะบุคคลสุขสุขแห่งปุตตบุคคลสู่แห่งปุตตบุคคลสู่แห่งุกตะบุคคลสู่แหุ่ตะบุคคลสุขสุะผลแน่นอนในการข้างหน้าตัวนักพัก มุกขนสี่คือุทเกษาุกขชนพุกตรฐานุกขชนภูิเกตรฐนุกขชนเตุการุนทั้งสี่เหล่านี้พระองค์ตัดว่าไม่มีหวังจะได้มัดเลยใช้ตั้งชื่อว่าพักพักมุกนสี่เหล่านับตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดมาเป็นต้นหาเบื้องต้นหาเบื้องต้นนี้ได้และหาเบื้องปลายนี้ได้ไม่ได้มัดเลย อยากทราบว่าเหตุใดพระองค์จึงสัตย์ยาตอนแน่นอนลงไปที่นีเดียวว่าบุคคลเหล่านี้ไม่มีหวังได้มรรคผลเลยไม่ว่าชาติไหนคำว่าบุคคลที่จะไม่มีหวังได้มรรคผลเลยไม่ว่าชาติไหนไหนนั่นน่ะเป็นปริยายธรรมครับไม่ใช่นิสปริยายธรรมเราต้องเข้าใจในธรรมะนั้นด้วยคือธรรมะนะแบ่งออกเป็นปริยายธรรมประการนวี้ปริยาธรรมะหมายความว่า แสดงจนหมดเหลือกแล้วไม่มีอะไรเหลือไว้อีกแล้วไม่มีอะไรเรียกข้อให้จะต้องทบทิศอีกแล้วเป็นสองอย่างด้วยกันนั่นแสดงว่าบุคคลที่เป็นนิยตามิชชัยทิศห้ามมัดห้ามผลคนนิยตามิชชัทิศห้ามมัดห้ามผลข้ามสวรรค์บุคคลที่กระทําอนันตริยกรรมอ่าก็ห้ามมัดห้ามผลห้ามสวรรค์นี่สองประเภทนะฮะบุคคลนี้เป็นพูกเห ไอ้เหตุกะปฏิสุที่ก็ตามอ้เฮตุกะปติสุที่ก็ตามแต่ะอ้เตุกะปิสที่นห้ามมัดห้ามผลเฉพาะในชาตินี้ปัจจุบันนี้ครับถึงเราชาตินี้เกิดโดยอเตุกะปิทีอย่างเนี้ยเราจะไปเจริญทางกไม่ึ้นเ่เจริญักผลก็ไม่ขึ้นนะเจริญไม่ขึ้นเยแต่ไม่าอนโละเป็นวัตถารรมีสุ่งอย่างได้อยู่แต่จะไปทาเพื่อจะให้ได้นักผลในชาตินี้ทานตายเนี่าไม่ได้ไม่ได้ห้ามชาติต่อไป เราเป็นอธิปการบุคคลในชาตินี้แต่ว่าเราสร้างบา ร, รมีองเราใหม่ในภาหน้าแล้วก็เกิดเป็นสิเทติการบุคคลแล้วก็ไปเห็นเทียนเื่อมรักเพื่อผลเพื่อนิพานได้ในที่สุดเพรา ะ, ะนั้นข้อที่ว่าว่าเป็นอาภัฒนาหรือพัฒนโดยในะยะมิจะประสงค์เลงเอาหมายถึงชาตินี้ครับชาติที่มาเกิดนี้ไม่ได้เล็งว่าตลอดอ น, นันตการอาสง ข, ขัยชาติคุณคนนี้มีหวงังอย่างนี้แล้วไม่ใช่ไม่ถือความหมายในพุทธศาสนาแน่นอน ไม่ใช่จิดประสงในธรรมะแน่นอนถ้าหาว่ามีขึ้นก็อาจจะมีความหมายของปีติอาจารย์นั่นเองถอาอย่างนั้นแล้วก็จากนั้นการรํยกายเป็นว่าูกข า, เาดเฉพาะคนบางเหลา่าอีกคนเราก็ฆ่าระโดดทีแม้แต่พระเทวทัตเองนะนะเทวทัตนั้นในชาตินี้อะเทวทัตเป็นิเทสุตตะปฏิปุกที่บุคคเทนะเทวทัตเนี่ยอย่งนั้นถ้าเทวทัตจะมาทำทานโลกยา่าปญญาทาไม่ได้หรอกนี่แล้วพระเทวทัตพอทำอนันตรีกรรมแล้ว มักผลที่ควจะได้ในชาตนี้ก็ไม่ได้ตอนนี้ถ้ า, ถาพระเทวทัตเนี่ยทำอนันตเรียกรรมพระเทวทัศ์ได้บรรลุอรหันตแล้วไปทำเช่ ก, ก่อนมันก็ไม่ได้ไปลงอาวีจอท้อนอเวีจีขึ้นมาพระเทวทัศ์จะได้กลับเป็นปฏิกเกศพิเภกเจ้นนอน า, าองค์หนึ่งแนะนําู้จัการอยูอาวจีกลับเดียวพอท้นกลับนี้ออกมาก็ได้สร้างบารมีกะทั่งเป็นปฏิเกศผู้ที่พิเภเจ้าได้เพราะนั้นปัญหาที่ถามเนี่ยหมายความแต่เพียงว่าถ้าติาตินี้หรอกว่าหมดโอกาสจะได้เป็นไม่ได้หมายว่าอในอนันตชาตไม่ได้หมายว่าอย่างนั้นครับ อยากให้อาจารย์ดเสียรด้วยชี้แจงเรื่องตัดแต่ละดวงนั้นเกิดทั้งแรกอย่างไรตั้งพัฒนาของอาจารย์ตอบแทนผู้พิจารณาเลยใช่ไจ้ร่วมตอบแทนพระผู้พิจาาได้ยังไงครับไม่ได้นะครับจะไปรูู้รู้เกินครูไม่ได้ครูอ่าวเรื่อเหตที่ในพุทธศาสนาไม่สอนตัดผมมาชีวิตอย่างเช่นศาสนาอื่นนั้น่ะ แม้ในาสตร์นัเอื่นคำว่าปฐมสิ่งที่จางกลมไม่จริงไม่จริงี่ไหนอะ่ะเพราะว่าสิ่งใดมีปฐมสิ่งใดมีคามเกิดขึ้นสิ่งสิ่งนั้นก็ต้องมีสาเหตุของการเกิดเกิดจากอะไรเา้าบ อ, อกออว่าเกิดขึ้นเองไอ้เกิดขึ้นเองเนี่ยถ้าเขาลอกเกิดขึ้นเองได้นั่นก็คือไม่มีอะไรที่เป็นของปฐมแรกวเหมือนอย่างนี้ครับฝนตกเราในสมัยก่อนมนุษย์เรามีเหตุฝนตกก็ไม่กว่าน้ามาจากฝนฝนนีน่นเป็นเพระไม่เหตุของน้ำ อยู่ยุคนึงพอมาพอความฉลาดคนมากขึ้นก็รู้ว่าอ๋อผลมันเป็นผลเหตของน้ำหรอกเพราะผลยังเป็นเหตุอยู่มันยังเป็นผลอยู่มาจากเหตุอีกอันหนึ่งคืออันน้ําก่อนแม่เนี่ยเรื่องกันไปเรื่อยอัน<า>น้ำ<า><า>ก้อนแม่ก็ยังมาจากเหตุอีกอันหนึ่งคือน้ําน้ํานี่ก็มาจากเหตุอีกอันหนึ่งคือออกซิเจนเนี่ยมีมาเป็นลําดับการเนี่เพราะฉะนั้นเหตุกับผลจับคู่กันเสมอเราเข้าใจว่าอันนี้เป็นอุบัตเหตุนั่นเขาว่า กาลังปัญญาลมาตันแค่นั้นเหมือนหนึ่งเราคนโบราณเข้าใจว่าน้ามาจากฝนแล้วก็ปันแค่นั้นเพราะืบหาสาเหตุของฝนไม่ได้ตนน่กว่าฝนนี่แหละคือความมามเหตุเนี่เขาหน้าเหมือนกับคนมี ต, น ต, ต้นเหตุที่ให้เกิดโลกแล้วว่าต้นเหตุนะ่ยไม่มีต้นเหตุทุกต้นเหตุอย่างเดียวกันเพราะว่าความรู้ิปัญญาของเขามันเพียงแค่นั้นเองแต่ถ้าเมือ่อใด เขามปัญญาแทงขึง้นต่อไปอีกว่าไอ้สิ่งที่นึกว่าเป็นเหตุน่ะความรีนกันผลของเหตุอันหนึ่งทางพุทธศาสนาพระสัมมาสมัมพุทธเจาของเราได้ตรรู้ปฏิจจาระามิตรบาศว่าผลอันนี้เกิดขึ้นก็มาจากเหตุอันนี้เหตุอันนี้หนูก็มาจากผลอันนี้ผลอันนี้จะดับก็ต้องดับเหตุอันนี้ก่อนเหตุอันนี้จะดับได้ก็ต้องดับก็ต้องดับผลอันนี้เกี่ยวเนื่องกันไปนมดห น, นึเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าย่างนเอง จังเลงไปทะลุผุโลงถึงกันแล้วว่าอนะมะตะโกยังพิเกเวปุพะโกติณะตั้งสารติบูก่อรพิสุทั้งหลายเบื่องต้นของวัฏฏะคือวนเวีย่ในชีวิตน่ะไม่ภาคบังคหน้าพิสุทังหลายเพราะว่ามันเป็นอานันตการอา น, านรันต์วงจรชีวิตเป็นอานันตปราบใดนั้ยังไม่เรายังไม่ได้ดูพานตราบนั้นวงจรชีวิตเป็นอานันนะเราจะเอาละเป็นปรจจุบเหตุไม่ได้ เป็นอ่างันในหมดมันเปเกี่ยวดองเป็นรูกโซ่กันในหมดเป็นวงกลมอ่างันกันหมดทีเดียวอันนี้ผู้ศรีรู้หลักวิชาคณิตศาสตร์ยอมรับคือว่าไอเลขศูนเนี่ยเท่ากันเลยที่จบเขียนเลขหนึ่งแล้วก็ศูนย์ศูนยูนยูนย์ศูนเขียนได้เห็นได้เลยที่จบนี่มันเปืนวงจรเป็นอ่างันนี่วิชาเลขคณิตก็มาวิทยาศาสตร์ดาราศาสตรก็มารับผมอ้างกับธรรมะในพิศาสนาที่กล่าวว่าโลกธาตุนี้ เป็นอันนัจั ก, กรวาลชุริยะจั ก, กรวาลหนึ่งจั ก, กรวาลหนึ่งนะไม่ใช่มีอันเดียวมีตั้งสี่โกดีพล้านระบบชุริยะจั ก, กรวาลก็ไม่รู้ชุดคู่ชายเทไปมาในระหว่างจั ก, กรวาลเหล่านี้ไม่มีอขอบเขตไม่มีที่สิ้นุดกามที่เรารียก็มีปฐมเหตุนะ่ะแต่เระอาิยสิตย์ในโลกนี้มาเป็นเครื่องวัดแล้วความจริงโลกนี้เป็นปฐมเหตุอจริงหรื อ, รรอก็ไม่ใช่ อ, อีกเหมือนกันเพราะว่า คำพีในบางศาสนาที่กล่าวว่ากล่าวถึงไม่พอสมเหตุน่ะนเห 1, ขียนมาหกพันปีมานี่เองเขียนมกพันปีมานี่เองแต่มนุษย์เราเนี่ยมันเก่าแก่เกินหกพันปีไปอีกมีมาก่อนหกพันปีอีกไม่ใช่พระเจ้าสร้างมนุษย์ตัวหกพันปีอาดัมเอวาเท่านั้นเองไม่ใช่ก่อนหน้าขึ้นไปอีกวมนุษย์เห็น ม, มนุษย์ถึงนิ้วถึงคนเรียกวมนุษย์วางนอนมีอายุในโลกตั้งแต่ห้าแสนปีมาแล้วม น, ม, นาามนุษย์เรานะคุณจะมีหน้าตาเป็นผู้เป็นคนอย่างอยู่นี้หน่าเราเราสองแสนปีมานี้เองนะ หน้าตาเป็นยังเป็นคนเป็นมนุษย์จริงกลางๆหน้าตาอย่างพวกเราเดี๋ยวนี้นะ่ะไม่สแสนแสนตี่นนี้เองไอ้ก่อหน้านี้ยังหน้าตาจริงมีจริงคนอยู่เป็นมนุษย์วางนอนอยู่และไอ้ก่อหน้ามนุษย์วางนอนไปอีกพวกอีกกี่ล้านปีเป็เป็ดนักมนุษย์วิทยาเขาวิเคราะห์ว่ามนุษย์เราเริ่มแรกมีในโลกนะ่ะประมาณห้าสิบล้านปีมาแล้วคือยังสมัยเป็นมนุษย์วางนอนอยู่อยู่เรื่องของพวกไดโนเสาร์ al, พูกสัตว์ ล, ล้านปีนี่แหละอยู่กับพวกนั่นแหละ แล้วก็ล้มหายตายจากไปแค่พันออกไปอะไรออกไปนานาประการาท่านดาวนีบอว่าคนเราสูงมาจากนิ่ง ล, ล่ะแต่ความจริงน่ะคนไม่ใช่นิ่ ง, งไม่ใช่คนเพราะนั่ว่าจะเป็นค น, ลลนแล้วเรรนต้องต้องเปลี่ยนเป็นคนบ้างบางตัวแล้วก็มองไมเห็นที่เราอยนันเรื่ที่ตนเลยแล้วก็ทาทาเครื่องหมายเอาไว้อ่าคอยสังเกตชั่ววูบชั่วหลานเราตาก็ฝั่งลูกเาอสังเกตสิต่เป็นคนหรือไม ไปมันก็เปลี่ยนสักทีนึงอย่างลิงในเขาเด่นนี้มันเปลี่ยนลิในสามภาคกลางนู้นเปลี่ยนคนที่เราเห็นสัทีอ่แต่เ้าว่าทั้งคนทั้งลิงมันโคตรเดียวกันต้นโคตรก็โคตเดียวกันคนลตะกูลแต่โคตรเดียวกันตะกูลเขาทางสาขาคนนี่มันเยกเยกธนาการได้เร็วกว่านะเพราะอาศัยมันสมองฉลาดกว่าส่วนตะกูลฝายลิงมันโง่มันจังไม่มีวันยิ่งขึ้นนี่แหะอย่างนี้แล้วก็จะยกตัวอย่างง่ายๆเห็นว่าแมวกระเสือ ท่าเสือแมวเหมือนกันไหมถ้าดูหยาบหยาบก็คล้ายกันถ้าหากว่าเราจับแมวลายเสือมาตัวนี้แล้วถ้าขยายส่วนแมวลายเสือตัวนี้เนี่ยโตเชิญตดเท้าเราเจอเขาเราก็แผ่นนี้แล้วแล้วก็แผ่นนี้แมวแล้วเนี่ยเสือกับแมวท่านว่ามาจากโครตรเดียวกันมาแยกสาขาเสือแมวสิงโตนี้โครตรเดียวกันนั่นหละมาแยกสาขาหรือคนกับลิงโครตรเดียวกันแต่มาแยกสกุลกัน ะกุลของขมก็ไปทางขมะกุลของลิงก็ไปทางนิงอย่างนี้พระพุทธเจ้านะไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้ตนตอท่านรู้แต่รู้ท่านรู้ว่าตนตอหนังอย่างนี้ตนตอเป็นผลของตนตอยอันหนึ่งและตนตอยอันหนึ่งก็เป็นผลของอีกอันหนึ่งเป็นวงจรกันวงจรกันและอีกประการหนึ่งถ้าพระองค์พระองค์รู้ถ้าพระองค์นํามาแสดงการแสดงจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นนอกจากลูไว้จึงอ้ออ้อล้งอ้อเท่านั้นเอง ไม่ได้ประโยชน์ต่อการขัดกเกลาเกศเพราะฉะนั้นความคิดในทางพุทธศาสนาท่านจึงห้ามไว้เรียกว่าห้ามไอสิ่งที่ไม่ควรคิดอยู่สี่อย่างหนึง่งพุทวิสยัยวิสัยของพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะไปคิดอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าทําไมพระองค์จึงสามารถตรัสรู้อริยสัจสี่นแะต่เราไม่ใช่พระองค์นะถ้าเราจะเป็นพระองค์เราก็ต้องสร้างบารมีอย่างพระองค์แล้วเราก็รู้เองว่ะทำไมเราตรัสรู้อริยสัจสีได้อย่างไรนี่คือ่พุทธวิสัยก่อน สองเว่าชาญเอาวิสัยวิสัยของผู้ใดชานผู้ใดชานย่อมคุณสมบัติทางจิตใจแตกต่างว่าจากผู้ที่ไม่ได้ชานเนี่ยสามกรรมบา่มีบาศีบาของต่าทําไมคนนั่นร่ำรวยขนาดนี้แล้วทำไมต้องบิบัดทางตาเห็นอย่างนี้ทํำไมคนนี้ทำมุลคุศสมากนี้แล้วยังทํำไมต้องไปเรือโลกตายเพราะอะไรเนี่ยเราไม่รู้ว่าอดีตกรรมเขาทำอะไรมาเพราะเราไม่มีที่พปจจากสู คิดไปแล้วก็ป่วยการที่โลกกับจินดาบางที่ยังโง่ว่าต้นเหตุมาจากไหนแล้วมันจะดับไปไหนนี่อย่างนี้ไปโลกกจินดาคิดอย่างนี้เพราะว่าสุดสาวเราเร่วมกันได้ด้วยนี่ต้นตอได้ด้วยไอ้พวกที่ว่ามีต้นตอนะี่ยพวกนั้นแหะเป็นการโกหกตัวเองแค่จริงน่ะปัญญายุทธตัวมันตันแค่นั้นคิดต่อไปคิดไปออกก็หาว่าไอ้ที่ปันแค่นี้เป็นต้นตอเหมือนอย่างที่ผมว่าว่าน่ามาจากนตนกพรา่ันแค่บอกตนนี่แหละมันต้นเหด หาเรื่องอผมกังเลมากอีกนี่เออคือปัญหาที่ถามมาระบัดทิ้งีนถามมาที่วัดจานั้นหมายความวาอะไร ท, ไทําไมจึงต้องเกิดมาเพราะจำ น, นี้ด้วยจุดแรกเริ่มเดิม ท, ที่จะเกิดจำนั้นคนเราไปทํำจำอะไรไว้หนักหนาถึงจะต้องเกิดต้องตายใช้จำที่ทําไว้เรื่อยมาโดยไม่มีที่จะสิ้นสุด ปัญหาเนี้ก็คงจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องปฐมจิติตด้วยเพราะอันนี้ว่าจะเนื่องกรรมไปต้องไปตอบปัญหาข้อไหนนี้ก่อนเพราะเหตุที่คนเรามีอุปาปัญหาอุปาทานเนี่เป็นต้นเหตุอุชาทันหาอุปาทานเนี่ยมาจากใครก็มาจากตัวเราตัวเราเป็นผู้สร้างอาุชาทันหาอุปาทานตัวเองการทีจะหาปมัมเหตุก็ อ, อุชาทันหาอุปาทานหาไม่ได้มันเป็อนวงจรอย่างเมื่อปัญหาที่ตอบมาแล้วเหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าเวลาไปสงสัยอดีตถ้าไม่คิดอดีตไม่สงสัยถ้าไม่ให้ทิ้งข้ามไปางอนาคตสำหรับการใส่ปัญหาชีวิตนปัญหาที่เราเฉพาะหน้าพระองค์ตรัให้เราว่าให้กําจัดเหตุของทุกเฉพาะหน้ามาให้ไปกําหนดอดีตที่กำหนดอนาคตถ้าถ้ากำหนดอดีตแล้วเราจะเกิดความตังขาว่าเรามาแต่ไหนหนอเรากำลังกำหนดอะไรถ้าถ้ากำหนดอดีตแล้ว เราจะเกิดความกังขาว่าเรามาแต่ไหนหนอเรากำลังกำหนดอนาคตเกิดความกังขาว่าเรากำลังจะไปไหนหนออาจจะมาแต่ไหนหนอแล้วกาลังจะไปไหนหนอนี่น่ะอย่างหนึ่งมันเกิดแล้วทั้งมันอีกอย่างหนึ่งเนี้ยไม่เกิดเพราะฉะนั้นกำลังเป็นอยู่มี่สำคัญมากว่าเราจะทำอย่างไรกับตัวของเราให้พ้นไปปัญหาข้อที่สองถามว่าคุกคืออะไรยกตัวอย่างคนที่กาลังเล่นฟุตบอลกาลังเป็นคุก แต่คนนั้นก็ยินดีเพราะมันเป็นความทุกข์มันเป็นเพราะอะไรอาทุกในที่นี้น่ะอย่าเข้าใจหมายถึงความช้ำใจนี้ว่าทุกนะฮะเพราะว่าคําว่าทุกเนี่ยหมายความว่าสภาพใดที่ทนสภาพเดิมมันอยู่ไม่ได้สภาพนั้นเป็นทุกเช่นเก้าอี้เก้าอีกกอ้ก็เป็นทุกพ้ะทาสีใหม่ในวันนี้พอในปีหน้าเรามาดูใหม่เก้าอี้ตัวนี้สีก็สีสีกระเทาะแตกไปก็าอีกก็เป็นทุกทุกกับอัญจันนะ่ะใกล้กันมาก อันใดเป็นอันใดเป็นไม่เทียงอันนั้นก็เป็นทุกข์ที่เนี่ยตแสดงคู่กันไปเลยอันใดไม่เพียงอันนั้นก็เป็นทุกข์ความไม่เพียงน่ะคือความเปลี่ยนแปลงส่วนความเป็นทุกน่ะคือความคนอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกข์ครอบครอบงำกว้างไปหมดการที่เราเตะทุกบอลจะรู้ว่าเป็นทุกข์นี่น่ะในขณะที่เราเตะเรารู้สุกว่าสบายเป็นสุขอาการอาการที่สบายเป็นสุขนี่น่ะเป็นเพียงแต่อารมณ์หลอกน่นเองอารมณ์หลอกในขณะที่วิ่งวิ่นเต้น ชดเชยกับตังหางเราที่อยากจะเตะฟุตบอลแต่ความจริงน่ะทุนะกข์ก็เกิดในขณะนั้นเช่วนว่าในขณะที่เตะให้เรายกเท้าข้างใดข้างหนึ่งแม้กิริยาบทเตะตลอดไปมราก็ยกไม่ได้เป็นทุกข์ต้องเปลนแล้วอ่าในขณะที่เตะไอ้กว่าอาการความเหนื่อยความเผาไหม้แคลอรี่ในร่างกายเกิดขึ้นความเหนื่อยหนึ่งก็เป็นผลตามมาก็เป็นทุกข์อาการนั้นทุกข์มัมีูเสมอครับแต่ากนนารเตะฟุตบอลน่ะมันไม่ทุกขใจใช่หมเอง มันอาการทุกตายความเปลี่ยแปลงทางกายเกิดอาการความเปลี่ยนแปลงทางกายเกิดอีกนะครับเรียกว่าทุกข์เพราะนั้นทุกขเป็นทุกข์ศาสนาเนี่ยต้องลิงกว้างกว้างไม่เป็นหมายถึงคตามทุกเวทนาอย่างเดียวแต่ทุกประจําสังขารก็มีคือทุกเหคุการที่คุณยู่ไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยชื่อว่าทุกข์ปัญหานี้ถามถึงเรื่องจิตนะคือถามว่าพื้นฐานเดิมของจิตตามความเป็นจริงนั่น ตามความเป็นจริงนั้นพื้นฐานเดิมของจิตตามความเป็นจริงนั้นบริสุทธิ์จริงหรือไม่และบริสุทธิ์อย่างไรช่วยอธิบายให้แก้แด้วยอันนี้หมายถึงถามถึงพื้นฐานเดิมของจิตอว่าตามมติในฝ่ายเทราวาตเรานะครับไอจิตเดิมแค่บริสุทธิ์จะมีไม่ได้แล้วครับ เพราะว่าทุตพาติบทหนึ่งในบาลีว่าประพัธรณ์ดังที่ เ, เวยจิตตังดูตอนที่คุทั้หลายธรรมชาติของจิตนั้นประทัฒสอนที่คุณนมอเว่าอุปเกลติจารมาเที่อาจารย์ไปจับพุทธพจน์มาม า, มาพูดมาโฆษณาเบอกว่าสิเตเดิมบริสุดธิล้ออวเขาประพัฒสอนนี่แหละมาประทัฒสอนสักพิสุทที่ต่างกันประทัฒสอนจนนรนจิงๆแต่ว่าพุทพองตามตัวมันนี่นมีแสงมีแสงที่สุดพอง ที่พุทธทองพุทธทองก็เป็นต่างกันมากนะครับยกตัวอย่างเช่นทองคำบริสุทธ์เป็นทองแทะกับทองพุทธทองนี่ทองพุทธทองไอ้ทองมทองอะไรทองหลืงก็ได้ทองแดงก็ได้นะบริสุทธ์กับพุทธทองละจริงต่างกันเราเอาโลหะมาชิ้นนึงมาขัดเงาในระหว่าพุทธทองตะตัวชิ้นนี้พุทธทองหรือเงินอันนี้พุทธทอง แต่ไม่ใบริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์ไม้ก็่ต้องเป็นคนอะไรเลย <l ug> เป็นของแท้มันเป็นภาตุแท้ของมันจริงๆเอาขึ้นมาแต่นี่เกศิอาจารย์บางท่านก็ไปหยิดเอาพุทธพจน์วัดตนมาวัดเดียวที่วัดหลังเทียงวัดหลังกง็องค์ตัดต่อเนี่ยเพวที่ขนุนหมองเพราะอุปกิกเลสแสดงว่านองจากอุปภิเลศแล้วยังมีอาสะวะกิเลศอีกไม่ได้ดกลับมาว่าที่ขนุนหมองเพราะอาสะวะกิเลศจรมากิเลศหนังยี่สามขั้นอาสวะกิเลส ที่หนักแองอยู่ในจิตใจขันสันดานประเภทมือมีทิฏฐาสะวะกามาสะวะภา ส, ะ ว, ะสะวะอวุชาสะวะนี่อาสวะเกิดสมรักงานได้ปุณปายแล้วขันห้าดับหมดใช่ไหมถ้าเช่นนั้นพู้ที่ไปเกิดเอาอะไรไปเกิดเพราะวิญ ญ, ญาณก็รวมอยู่ในขันห้านี่ด้วยอ่ปัญหาข้อนี้ท่านอย่าลืมสิครับว่าขันห้าก็เป็นสันตตินี่ครับสันติสุงที่วิญ ญ, ญาณ่ะผูกแล้วเป็นวีนิวิญ ญ, ญาณนักขันแต่เมื่อวิญ ญ, ญาณนักขันจะดับไปก่อนที่มันจะดับน่ะมันได้ส่งพลังงาน ไปในขณะที่สองให้เกิดวิญญาณดวงใหม่เกิดขึ้นเป็นพลังงานทํานองพ่อสงให้ลูกลูกส่งให้หลานเป็กรรมพันธุ์กรรมพันธุ์ถูกสืบต่อกันเพราะฉะนั้นดวงเก่าดับก็ดับไปสิแต่ตอนมันจะดับนี่ยมันมันส่งขนขนของแรงงานไปไหวกระดวงใหม่ที่จะเกิดขึ้นไอ้ดวงใหม่เกิดขึ้นต้องอาศัยดวงเก่าเป็นมรัฐฐา น, นเนี่ยคล้ายไฟผลึกไฟเราจุดเทียนมาเล่มหนึ่งนะครับเราอีกคนหนึ่งเอาเทียนอีเล่มหนึ่งมาต่อไปจากเทียนนั้นเราไป เป็นทิปเป็นไฟคนละเล่มแต่ไอฟลเล่มใหม่ก็มาจากไฟลเล่มเก่าเป็นเชื้อชั้นใดวิญญาณฐานดวงเก่าที่ดับไปก็เป็นเชื้อให้เกิดวิญญาณฐานในพบใหม่เพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็ไป็เรื่องของสัมมตินะครับข้อเนี้สัมมติพระพุทธเจ้าตรัสว่าอนัตตาไม่มีตัวตนตลอดไปจนถึงวิญญาณก็เมื่อคนมีกิเลสตายไปแล้วเอาอะไรไปเกิดไอ้คําว่าไม่มีตัวตนในที่เนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์เปล่านะไม่ใช่ไม่มีอะไรนะครับ คำว่าไม่มีตัวตนในที่นี้น่ะเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่คาว่านัติกะคำนัติกะเป็นคําปฏิเสธเด็ดขาดเพาว่าเหมือนสุญญากาศที่ไม่มีอะไรวนเวอร์ง่วงวงวงไม่ใช่อย่างนั้นอนนัตตาแปลแต่เพียงว่าไม่มีอัตตาที่เพี่ยงแท้เท่านั้นเองอัตตามีอยู่แต่ไอ้ควา ม, มีอยู่ของอัตตาไม่ใช่อัตตาที่แท้จริงเข้าใจไหมครับไม่ใช่อัตตาที่แท้จริงให้ายฟองน้าฟองน้ามีไหม ฟองนั้นมีอยู่แต่ว่าฟองนั้นมีอยู่ประเดีย๋ยวก็ดับใช่ไหมไม่เที่ยงมีอยู่ยังไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าอนัตตามันไม่ใช่ว่านัตทิตาไม่มันไม่ใช่คำนี้มัิตประฏิเสธว่าไม่มีอะไรเลยป่าๆลูงยุงวงๆเป็นสุญญากาศไม่ใช่ใช้คำว่าอนัตตาแปลว่าไม่ใช่อัตตาสภาวะธรรมอนนั้นอัตตาแปลว่ายืนหยัดคงที่เป็นหนึ่งแต่อนัตตาแปลว่าไม่ใช่ยืนหยัดไม่คงที่และไม่เป็นหนึ่ง แต่มีอยู่มีอยู่มีอยู่ยังไม่คงที่มีอยู่ยังไม่เที่ยงมีอยู่ยังเปลี่ยนแปลงว่าเปลี่ยนแปลงน่ะเป็นภาวะมีอยู่มีอยู่จึงเป็นอนัตตาต่างกับต่างกับนักตานะครับข้อนี้พระพุทธเจ้ามิให้เรายินดีในรูปถึงพธดทัพพทัพธรรมเหตุฉนัยจึงกลับให้ท่านในปรมาตมมีรูปเสียงพูทัพธรรมจะไม่ผิดกับคําว่ามีให้ยินดีในรูปเสียง เป็นต้นหรื อ, อข้อนี้ทา่านเข้าใจผิดครับข้อนี้คือว่าในปรมาจิตปรับถึงเรื่องลูกรถปิ่นเสียงน่ะเป็นวิธีการแสดงธรรมที่จะให้เราเห็นโทษของลูกรถปิ่นเสียงเหมือนกับหมอหมอเรียนวิชาแพทย์เนี่ยต้องรูส้สมมติฐานของโรคต้องเจรนายชื่อโรคออกมาเหมือนั้นจะไปรู้จะรักษาอได้ยังไงไอ้โรคนี้นะไอ้หอผอกนะั้นนี่มะเร็งนะนี่ไอวานะหมอต้องเรียนรู้ชื่อโรคและการที่หมอเรียนรู้ชื่อโรคจะบว่าหมอยินดีในโรคได้ยังไงล่ะไม่ได้ เรียนรู้ชื่อโรคเนะี่ยก็เพื่อที่จะไปหาทางบรรบัดโรคฉันใดที่ตราตึ้งรู้ว่ากินเสียงผู้ศรัทก็ฉันนั้นต้องเรียนรู้ไอ้สภาวะความจริงอันนี้เป็นทุกข์ษัตริย์นี่ของพวกเนี้ทุกข์กษัตริย์จะต้องกําหนดรู้กําหนดรู้ทุกลูกเล็กินเสียงไม่เท่สมุทัยนะครับไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่สมุทัยศาสตร์เป็นทุกข์ษัตริยทุกข์ษัตริย์ต้องกาหนดรู้เหมือนหมอเรียนรู้ชื่อโรคต่างๆเรียนรู้สภาวะของโรคต่างๆ การที่หมอเรียนรู้สภาพว่าโลกต่างๆไม่ได้หมายความว่าหมอยินดีในโลกเหล่านั้นตรงข้ามเลยคือจะหาทางทาลายโลกมากกว่าอ่าสําหรับปัญหาในที่ผมบรรยายในวันนี้มีท่านผู้ใดสงสยัยไหมขอให้คางปัญหาในวันนี้ก่อนมีท่านผู้ใดสงสัยหรือเปล่าไหนฮะ ทิกะทิฏฐิที่มีความหมายว่าไม่มีนี้คําสอนในข้อนี้แสดงว่าเป็นการปฏิเสธเหตุปัจจัยทุกอย่างใช่ไหมใช่ครับใช่ปฏิเสธเหตุปัจจัยปฏิเสธบุญกรรมใช่เช่นครั้งที่มีความเห็นว่าไม่เที่ยงครั้งที่มีความเห็นว่าขาดศูนย์และก็ปฏิเสธเหตุอื่นๆอีกถึงที่มีเหตุปัจจัยส่วนที่เป็นสังคตะธรรมและอสังคตะธรรมก็ถือเอาว่าไม่มีใช่ไหมใช่ ใช่ ถ, ถูกแล้วไม่มีนิทาน ม, มีบุญคุณบิดามารดาคุณพระมณ์รามเป็นนักปิกาพิธีใช่อีกข้อหนึงท่านถามบอกว่าตอนที่พุทธศาสนาจะเข้ามาสู่เมืองไทยคนไทยเรารับถือศาสนาอะไรมาก่อนและผู้ที่เข้ามาเผยแพร่นั้นเผยแพร่ด้ยวยวิธีไหนคนไทยเราจรึงยอมรับรับถืออย่างไม่เสื่อมคลายอ่าข้อนี้น่ะคนไทยเรานับถือพุทธศาสนาก่อนที่จะมาอยู่เมืองไทยคือดิ้ําโอ้โหมากมายนี่ครับพอแล้วน ะ, ะปัญหาจะ ต, ตอบไม่หมดนะครับ อคนไทยรับนับถือศาสนาพุทธก่อนที่จะเข้ามาอยู่เมืองไทยคนไทยพ่อกษัตริยไทยพระองค์แรกที่นับถือพุทธศาสนานั้นคือกษัตริย์แห่งอาณาจักรไอ้ลาวลวราวปตหกร้อยเศษลวาวปตชื่อขุนหลวงเมาหรือขุนหลวงเมากษัตริย์แห่งอาณาจักรไอ้ลาว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 เป็นการอัดในการอภิตายไปในตัวเพราะว่าเราจะเป็นนักเผยแผ่ต่อไปเราต้องกล้าไมโครโฟนต้องหัดกล้าอภิตายโตัตอบเนี่ยหัดไปเป็นการฝึกไปในตัวเลยจะเป็นประโยชน์ตอนหน้าคุณคณะถือพุทธถามมาคุณเลย น, นักถือศาสนาไรลนักถือศาสนาผีปา่าผีป่าผีเขาทเทวเทวานิยมถามบอกว่าเมื่อคนไทยเมื่อคนตายใหม่ๆบุดร้านไม่กราบไหว้ศพและขอให้ดวงวิญญาณ น, นั้นจงไปสู่สุคติหรือไปสู่ที่ชอบเช่นนี้ ดวงวิญญาณของศพนั้นจะไปตามที่ขอได้หรือไม่ไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้ไอ้จะไปหรือไม่ไปไปทีกรรมของคนตายเองเมาเช็ค อ, อยู่ที่ปากลมปากของหลูกหลานจะไปบอกว่าแต่ไปที่ชอบที่ชอบเถอะถ้าไอ้แกคนนั้นมันทําชั่วตกเขากตกโลกบตกเปรตไปอ่อนวอนไปปากหาให้ไปที่ชอบมันก็ไม่ไป <c oughs> ไม่ได้แนะ่ครับขอ้อนี้แล้วแต่กรรมข้าตัดปัจฉิมีไก่เป็ดหมูปลาเป็นพนผิดศีลที่ว่าทำปานาติบาศเมื่อเราไม่ฆ่าแล้วทําอย่างไรเราจรึงจะได้ได้สัตว์เหล่านั้นมาเป็นอาหารเล่า เราก็ไม่ต้องกินเลยสกินเจมังสวิรัตอย่างพวกขแขกกินดูกินแต่ถั่วกินแต่น้ํามันถั่วกินกินแต่นมเขาก็ลําสันอุ่นท้องคุย ท, คทุกคนนี่ถึงแก่ดูแขกสิท้องคุยแล้วนะ่ะผู้หญิงแขกยิ่งท้องคุยอุ่นอๆ่นอุ่นอไม่เชื่อไปดูแขกเป้ารัตสะพานหันสำเพงเลยแขกประาชนอุ่นอุ่นแขกหอมหาทำยากยากแขกหอมที่จะมีก็มีในอินเดียเวลานี้กำลังอดอยากกันอยู่นะเห็นจะตอนนี้เห็จะมีแขกหอมหรอกเพราะปกติน่ะแขกกินถั่วกินถั่วนี่แม้มีโปรตีนสูง กินน้ำนมกินเนยโปรตีนสูงนั่นแหละเลยลงพุงอ้วนเสียทรงเสียรูปใหญ่เพราะนั้นอยากตัวเลยถ้าถามว่าเลยข้าพนัปูจะไม่มีอาหารกินนี่อาหารฝักนี่แหละดีที่สุดเดี๋ยวโกนหน้าก่อนนี้อ่าอ่าเดี๋ยวขอขัดจังหวะอาจารย์สักหน่อยคือปัญหาเนี่ยอาตามสาสงสัยมานานเนี่ยครับคื อ, อในฐานะที่อาตามาจะต้องออกไปทําการเผยแพร่ศาสนาเนี่ย สมมติว่าถ้าไครมีนักสวยแพร่ต่างาศาสนาเขาถามขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อถือในพระพุทธเจา้าหรือว่าพระธรรมสงู์นี่เขาบอกว่าจะมีหลักฐานอะไรที่ท่านเชื่อว่าพระพุทธเจา้าของท่านมีจริงเนี่ยอ๋อหลักฐานอะไรหลัานพระพุทธเจา้ามีจรงิงไหมครับใช่เรากดเอาย่อนถางเขาว่าแล้วแกมีหลักฐานอะไรที่พระเจ้าของแกมีจ ร, งงริงพระเจ้าอุษางแกเนี่ะเชิญมาให้อภินญญาให้ดูต่อหน้าได้ไหมถ้าเชิญพระยาฮัวลงมาดูต่อหน้าได้ฉันจะเปลี่ยนตศาสนาให้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 คือตาหาว่าคนอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วแต่งธรรมะไม่ได้ใช่ไหมเราบอกว่าใต่งได้ไงครับแล้วคนที่แต่งธรรมะอย่างนี้คนนั้นคือพระพุทธเจ้านอกจากพระโคตมะเขาเป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งขึ้นมาเป็นผู้แต่งดังั้นคือพระพุทธองค์ใหม่ถ้างนั้นก็หมายถึงว่ายังอาจารย์เถื่นเนี่ยอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าได้องค์นึงอ๋อไม่ได้สิครับถ้าผมจะแต่งธรรมะได้น่ะผมต้องลอกฟังง่ายๆว่ะลอก น้ำลายของผู้เจ้าซึ่งเป็นผู้แต่งองค์แรกนะ่ะมาเถียนนี่ผมไม่มีปัญญาที่ป็นจากอริยสัจขึ้นได้หรือมักแต่ขึ้นได้บบ น, ดนี่ที่เราลูกอริยสัจแมบบักแสามารถแต่เวลาธรมะหนึ่งตัวๆน่ะจำน้ำลายจะมาขีนนะคัะกเราให่มั้มครับลอกให้มันมาตะหักละ่ะถึงเขาบอกว่า ค, นค น, าาคานคนนั้นเขาบอกไปชพุเจ้าจนพรโคตมะต่มันขูเขีดเราวบบถูกแล้วสิคนคนติดต่งี่แหละคนนั้นะเราเรียกว่าผูา้ถลั เขาพุธะทธะเท่านั้นที่จะขินอย่างนี้ได้จะเป็นโคตรธมากหรือไม่โคตมธรก็แล้วแต่คนนั้นกิจแต่งธรรมะอย่างนี้ได้คนนั้นคือพุทธะศาาสนานนี่เป็นศาสนะพุทธคะคือธรรมะทั้งหมดนี่เป็นเป็นธรรมะที่เป็นของพระพุทธเจ้าทั้งหมดคนอื่นเรามีปัญญาคุณ้างหลังนี่ยไม่เห็นมีใครปัญญาสีนหนรืออริยสัจหรือปฏิจจสมุปบาทหรืออภิธรรมออกมาได้เลยังที่ป า, ากพระพุทธเจ้ามาทั้งนั้นแหละเขจะว่าไปแล้วเอามาจำมาขยายเท่านั้นแหละ ใช่ไหมฮะใช่ไหมคนที่เป็นผู้ต้นกำเนิดธ ร, รรมะนี่เป็นใครล่ะระยะทางก็เป็นใคร <c oughs> ควา่าพอกคนนี่สิม่เสดจพระโครตรมะแล้วเอาเธอจะเป็นโคตมาหน่ะพุทเราถือว่าเป็นเพียงสมมุติเป็นอย่งไม่สำคัญหรอกแต่คนที่สา ม, มารถเขียนธรรมะอย่างนี้เนี่ยคนนั้นแหละพวกเราถือว่าคนนั้นแหละคือพุทธะและขันธ์ใหญ่เป็นอะไรก็แล้วแต่พ<ช>ระปิเสธไปมาเสด็จพระโคตมาก็ช่างเถอะแต่ฉันว่าใครเขียนธรรมะอย่างนี้ได้คนคนนั้นคือพุทธะที่ฉันเขาบอกใบ้ไปแล้วกันก็ใบ้ตามเพียงเท่านี้เอง ครับว่าผูู้ที่เอาธรรมะนี่เป็นหลักฐานว่าพระพุทธเจ้ามีจริงครับถือนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครจะแต่งธรรมะได้และไม่ใช่สวยอาจจะเป็นแบบเรองประติรูปมีอยู่ครอบ <S <S มีอยู่ครอบ <S 2> <S 2> นี่แตนที่ทางโบราณคดีศีลาจารุ ข, ขุดขึ้นมาเออถ้าบุรุษภัยอันนี้กระชาที่ขุดขึ้นมาจากหุบศักะระยาววงฝังเอาไว้ที่เหมือนกับบีรพัฒเวลานี้อยู่ที่ภกเขาทองตัวนันบันรพฤษเลยครับ เระธาตุยังมีพระธาตุที่แท้จริงนะไม่ใช่พระธาตุหินพระธาตุกรวดอย่างที่อยู่ในกระเป๋าของชาวบ้านนะพระธาตพระธาติที่แท้จริงที่เรากราบไหว้ยังสนิทใจดีจริงแล้วกอนในเมืองไทยเราเนี่ยไม่ต้องไปหาอื่นไาลที่ไหนเลยเก็อยู่บนภูเขาทองทีเดียวอุนนั่นแหละบลาาราณวัตถนนั้นรัฐบาลอินเดียขุดได้ที่แขวงป่าในเมืองกระบิลพัฒน์แล้วก็ขุดพบในสัตว์โบราณฝังอยู่ในตลับหลายชั้น หลับครัสุดท้ายจารึกเป็นอักษรบาลีรุ่นเก่าที่สุดรุ่นครั้งขัติการจารึกบอกว่าศรีราชส่วนนี้เป็นของข้าศักยะมุนีอันฟูกศักยะวงเป็นผู้ปฏิษฐานไว้คือว่าศักยะวงฝ่ายปิดปิผลิวันน่ะปิดผลิวันที่เป็นเชื่อวงศักยะวงพวกหนึ่งะ่ะเป็นผู้ได้รับส่วนแบ่งจากคุณพระมแล้วก็อเอาไปสร้างสัตว์บูชาสัตว์นี้ฝังดินฝังตาเป็นระยะกว่าสองพันปีเพิ่งมาขุดพบเมื่อต้นรัชกาลที่ห้า รถาบาตรอินเดียมีหลอดเทอรันเป็นหัวหน้าเป็นไวทรอยดีใจที่แรกว่าต้องการจะเอาไว้เข้าทิศพันธ์แต่ตอนหลังมีพระไทยองค์หนึ่งชื่อว่าชิณาบวรวงศ์ไม่ใช่อื่นการพระไทยองค์นี้คือพระองค์เจา้าปิษฎางพรองค์เจา้าปิษฎางท่านเป็นอัครกษัตริย์กรุงสยามประจําราชสมรภูมิตั้งติดกวางพัสดนะุ์น่ะแหมเวลานั้นเซี่ยวที่สุดเลยท่านจะว่าไปแล้วเป็นนักเรียนนอกรุ่นแรกที่สุดขององค์ปิษฎางเนี่ย เป็นผู้ไทยไปประจําสำนักเป็นเกมประจําสำนักต่างๆมากมายที่ล้งขั้นเบื่อขัดขัดใจกับริการมิห่าหรือเรื่องอไรก็ไม่รู้บวชบูทที่ลังกาบวชเป็นไทยบวชลังกาและเอาเครื่องอิสเรียลปอนสายสะพายสร้างพระเจดีบูชาบรรจุในพระเจดีหมดที่วัดทีวุฒิธมารามในเมืองกรุัมโบและ ส, สูส่ทางไปเดินผู้ ด, ดงผู้ ด, ดงไปอินเดียไปเพื่อลึกขุพบพระรมพรามทาส่วนนี้ท่าชีน่าวรวง์ก็เสนอไปตรอินเดียบอกว่าควรจะทุนกล้าให้พระเจ้ากรุงสยาม เพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดินประเทศเอกราชประเทศเดียวที่รับถือพุทธศาสนาในเวลานั้นไทยอินเดียก็ให้พูดมีหนังสือมากราบรบุมทูลรัชกาลที่ห้าได้ทรงพญาภูขุมซึ่งต่อมาเป็นเจ้าพยายุมราชมาอาปันอ้นเดินทางเป็นผูต้ตายแทนต่างพระองค์ไปอัญเชิญพระบรมธาตุส่วนนี้มาประเทศไทยระหว่างที่มาในเรือนน่ะอญาพญ า, า, าภูขุม ไม่คเคยชื่อเอพระธาตุแทหรือเปล่าก็ไม่รู้แฮะที่เราเชิญมามันใสในพระเจดีย์กาไหลทองน่ะกําลังลุกสงสายอย่างนี้เชียวนะอยู่ในห้องเคบินในเรือเนี่ยท่านนายนั้นพระธาตุงคนี้สําแดงอภินิหารเป็นชักพลังสีแพร่สว่างทั่วห้องเลยพญาสุขุมนั่งอยู่บนเตียงเวลากลางวันตกตะลึงงานไปหมดเวลานั้นน่ะทนายหน้าหอของพญาสุขุมเป็นขุนกําลังจะเข้ามาด้วยธุระจิจ ก, กับพญาสุขุมเปิดประตูห้องเคบินโขเข้ามา เลยยืนอ้าปากค้างมองพระบรมราชเจ้แสดงปาฏิหาริย์อ้าปากค้างนั่งสองคนเลยเชื่อร้อยต่อเซนแล้วพระบรมราชามือจี๋เจ้าแน่แล้วส่วนนี้เอามาถึงเมืองไทยตั้งไว้ว่าพระแก้วให้ประชาชนบูชาสามวันแล้วก็เวลานั้นชาวพุทธนานานชาติรู้ข่าวส่งผู้แทนมาขอส่วนแบน่งส่วนแบ่งจากราชการนิหารคณะสงฆ์มขม้าคณะสงฆ์ลังกาคณะสงฆ์อิปุนเดินทางมาแต่เป็นการใหญ่ทีเดีย ว, วราชการนิหาก็แบ่งให้แต่ทั่งเหลือแล้วถึงไปบรรจุไว้บนยอดภูเขาทอง วันวันโพดเดี่มนี้เพราะฉนั้นโดยหลักฐานโบราณคดีเราก็มีกระดูกพิธีเจ้าเป็นพยานพธาตุที่นักโบราณคดียอมรับผู้ประการโดยหลักฐานทางสร้างอระวัติศาสตร์มีเมืองกบิลพัทเลยก็แล้วจะคือเชตวนารามโคูสิตารามเอบุพพารามที่นักสมัยอินเดียขุดค้นพบฝากระเป็นมากมายรวมทั้งคติคันธกุฎีที่อยู่พิธเจ้ายังพบเลยที่อินเดียทุวันเนี้เป็นหลักฐานอยู่นี่โบราณคดีทางการประวัติศาสตร์นี่ หลักศิลาจารึกจารึกก็จะสูกก่เออจารึกศักกสนาอินเดียสมัยโบราณต่างๆเออที่กล่าวพุทธเจ้าเนะี่ยมีพอจารึกของพวกาศาสนาอื่นในาศาสนาพราหมณ์ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมายกย่องพุทธเจ้าในคัมพี์ในาศาสนาพราหมณ์ก็กล่าวถึงพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ยังไงต่อสู้กับพระพิฆามมายัางไรพวกพราหมณ์ไปต่อสู้พุทธเจ้ามาอย่างไงไปมีข้อความระบุในาศาสนาซึ่งไม่ใช่าศาสนาพุทธเป็นาศาสนาพราหมณ์ระบุไว้นอกจากศาสนาพราหมณ์แล้วศาสนาเชยยังระบุพุทเจ้าอีก เขเป็นศาสนาที่เกิดร่วมยุคพุทธสมัยเด็กกล่าวถึงพระสมณะโคดมอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างคำสอนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างน่มีไว้ในศาสนาอื่นๆนานับประการหลักฐานมีานังสัมมนจุดหามาเหตุของพวกกรีกที่เดินทางมาตีอินเดียสมัยอะลิสตามุบุมหาราศก็เดบันทึกถึงภาวะการของพุทธศาสนาในอินเดียนี่พวกกรีก为什么会要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要น要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要ง要要要要要要要要要要要要要要要要要要ต要要要要ัก要要要มะ สแสดงให้เห็นชัดว่าพระพุทธเจ้ามีจริงมีชีวิตยอยู่ในโลกจริงและหลักฐานแกล่ะยาฮวาอยู่ที่ไหนเชิญมาให้เูาได้มานอกจากในคำพีที่แกบอกเป็นผู้สร้างโลกโลกนี่คือผลจานยาฮวาแล้วแล้วอยู่ที่ไหนข้ายาฮูวาเชิญมามีหลักฐานอะไรบ้างเชิามาที่มีบ้างไหมไปย้อนถามเขาบ้างสงสัยไหมครับข้อนี้ยังมีอะไรติดใจไหมครับพระขุนเจ้าองค์นั่นมีอะไรติดใจไหมครับ ศท่านอาจารย์คือท่านนักศึกษามีความประสงค์อยากจะเซื่อหนงสือประวัติศาสตร์ทางาศาสนาที่ท่านอาจารย์แต่งขึ้นถ า, า, ามว่าหนังสือประวัติศาสตร์ของท่านอาจารย์ได้ได้ตีพิมพ์สาเร็จแล้วหรือยังตีพิมพ์ทําไมครับได้พิมพ์ออกเป็นเล่มแล้วหรือยังตีพิมพ์ออกไปแล้วหรือยังจเจริญพร มีพิมพ์ออกไปแล้วตั้งแต่พศ2500ครับวันนี้ท่านมีความประสงค์ว่าข้าต้องการอยากสียได้เป็นคู่มือจะหาซื้อตามท้องตลาดได้หรือไม่ไม่มีในท้องตลาดเลยครับเก็เป็นคํญญาบรรยายที่ผมสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงซื้อได้ที่นวมบวนนิเวศห้องจําหน่ายมหามุกุดครับ ม, มีครับบอกเขาว่าคำญญาาคบรรยายนี้มาจากพุทธศาสนาของผมเจ้าหน้าที่ที่ร้านจนาําหน่ายเขาจะยึดให้ถูก<ม>เป็นเพียงพึ่งออกมาภาคเดียวนะครับมากหนึ่งมันมีสามภาพ นี่จะจบะในขณะเดียวกันนี้อาตมาก็มีความประสงค์อยากจะถำอยากจะเรียนถามเรื่องวัฏฏะอาจารเหมือนกันก็อว่าจิตประสงค์ของการนับถือพุทธศาสนาพมีความประสงค์อยู่ว่าอยากจะหลุดออกจากวัตะโดยมีมีความเห็นจากนั้นเมื่อหากในการเผยแผ่พุทธศาสนานั้นเมื่อหากมีทายกมาถามว่าวัตะนั้นคืออะไร ยกอคาถาว่าวัตฏะนั้นคืออะไรวัตฏะนั้นคืออะไรเลยครับจเจริญพรวัตฏะล้วก็แปลว่าหมุนเวียนสิครับหมุนเวียนหมุนเวียนถ้าเขาถามขึ้นมาว่าถ้าเขาตีเสาปักขึ้นมาว่าคเมื่อหากดังปักขึ้นมาสิ่งที่ดังขึ้ น, นส่วนใดเรียกว่าวัตฏะตอนนี้เมื่อหากผููและถือพุทธศาสนาอยาจะรู้ดออกจากวัตฏะนั้นจะรู้สิ่งนี้อย่างไรตรีต้องขึ้นมาว่าอะไรเป็วัตฏ ะ, ะเจริญพร ผมไม่เข้าใจปัญหานี้่ข้อหมายความว่าไงคือหมายความว่าเมื่อบุคคลผู้รับถือพุทธศาสนานั้นครับได้ตกพื้นมีเสียงดังเกิดขึ้นรู้จักว่าเสียงนั้นดังมึงหากท่านถามว่าคําว่าวัตฐะในขณะที่รับรู้เสียงนี้ส่วนใดเป็นวัตฐะเมื่อเราจะออกจากวัฏฐะเราจะกําหนดส่วนนี้ว่าอย่างไรอ๋อถามว่าในขณะที่เราตกพื้นเราจะกําหนดตื่นศาสนาปัญญาวาณัตาส่วนไหนเป็นวัตฐะงั้นใช่ไหมฮ ะ, จะเจริญพรเห็นรูปตกพื้นได้ยินเสียงนะฮะ นี่เป็นปัจจุบันธรรมเอาขนาดปัจจุบัน ต, yes ตาเห็นนะรูปนะรูปตานี่ก็เป็นรูปธรรมรูปที่เราเห็นก็ปกเป็น ร, รูปธรรมเสียงก็เป็นรูปธรรมปัจจรูปมากระทบโสตประสาทกระทบวัณหารูปมากระทบจักขุประสาทนี่ตาเราเห็นเฉพาะวัณารูปนะไม่เห็นรูปอื่นนะรูปใบยตนาของเรคือวัณรูปใบยตนาเนี่ยวัณรูปเห็นสีของมันตาเห็นสีนี่เป็นรูปธรรมความรู้ในสีนั่นคือจักขุวิญญาณหรือโสตวิญญาณอันกําหนุดในเสียงเป็นนามธรรมเป็นนามรูป คือหม่ยว่าเสียงนั้นเป็นลูกด้วยและตาก็เป็นลูกแต่ความรู้นั้นเป็นนามใช่มเป็ น, นามใช่ครับเป็นนามนามดับไปเสียงนั้นดับไปขณะหนึ่งความรู้ก็ดับไปนี่เป็นวัตารอบหนึ่งเป็นวัตฏารอบหนึ่งัเบเกิดดับเกิดับวันนี้เมื่อหากท่านมีความคิดอีกขึ้นมาว่าการรู้แบบไหนในส่วนนี้การไม่รู้การไม่รมู้ในลกในักษณะใดในส่วนที่ตาเ ก, กิดขึ้นนี้่สิดติดอยู่ในวัตะ การที่รู้ในส่วนนี้ในลักษณะใดจึงหลุดออกจากวัตฏะได้อ๋อการคือการรู้ที่ว่าขณะที่ตาเห็นรูปและเกิดความรู้ขึ้นหากังว่ายังมีอัตตาอัตจนิยะอยู่ในใจยึดถือว่าเราปฏิบุคคลรู้ปฏิบุคคลเห็นปฏิบุคคลได้ยินอย่างนี้เป็นส่วนของวัตฏะเป็นวัตฏมูละในขณะที่กําหนดอย่างนี้เราไม่กําหนดว่าเป็นปัจเป็นบุคคลเป็นราเป็นเขาอันนี้เป็นวิวัฏฏะส่วนนี้เป็นวิวัฏฏะครับ วันนี้เมื่อหากเขายกภาพขึ้นสองภาพว่าไม่มีวัตถุเช้นเดียวกันมีไม้อยู่ท่านหนึ่งยกขึ้นมาว่าท่านหนึ่งนั้นอ่ะเมื่อหากแยกออกเป็นสองท่านบุคคลผู้ติดอยู่ในร่างบุคคลผู้ติดอยู่ในวัตฐามีความสําคัญว่าสิ่งนี้เป็นสองท่านส่วนบุคคลผู้ออกจากวัตฐาแล้วมีความเห็นในส่วนนี้ว่าเป็นอย่างไรว่าไงครับผมฟังไ ม, ม่แจ่มใสหมายความว่า มีไม้อยู่ท่านหนึ่งแต่เขาผ่าเป็นสองชิ้นม<า>้แผลผ่าเป็นสองชิ้นไม้ท่อนหนึ่งไม้ไม่ฮะผ่าเป็นสองชิ้นท่อนไม้ละท่อนหนึ่งครับมีมีมีไม้ท่านหนึ่งเมื่อออกผ่ า, าเป็นสองชิ้นครับเมื่อหาเขาถามขึ้นมาว่าผู้ติดอยู่ในวัฏจักรย่อมีความหมายในส่วนนี้ว่าเป็นอันเดียวกันหรือต่างกัน แต่ส่วนผู้ที่หลุดออกจากวัตตะแล้วมีความหมายในสั่งนี้ในในส่วนนี้ในลักษณะใดผู้อยู่ในวัตฏะกับผู้หลุดออกจากวัตฏะเห็นไม้ผ่าเป็นสองชิ้นแล้วมีความรู้สึกอย่างไรงั้นใช่ไหมมีความรู้สึกต่างกันอย่างไรมีความรู้สึกต่างกันอย่างไรในขณะที่เห็นไม้ผ่าเป็นสองชิ้นอย่างนั้นเลยฮะเพียงการไม้ผ่าเป็นสองชิ้นให้ดูใช่ไหมฮะเจริญพรเราก็ถามว่าของคนนี่มีความรู้สึกต่างกันอย่างไรเลยเจริญพรต่างกันสิครับคือว่าในความรู้สึกของคนที่ยังอยู่ในวัฏฏะน่ะท้าน เห็นไม้เผาเป็นสองชิ้นถ้าหากว่าเขามีอะไราในไม้นั้นอยู่ก็เป็นที่ตั้งแห่งอุปายาตความโทมนั์นะฮะว่าดชเสียไปแล้วคนที่รู้จากวัฏฏะแล้วก็ทํามีชลางกุเบกขาคนที่ยังไม่หลุดจากวัฏฏะหนักไม่มีชลางกุเบกขาคือหมายเพราะว่าถึงแม้จะรับรู้อารมณ์นั้นอยู่แต่ไม่มีความสําคัญในสิ่งนั้นใช่ไหมใช่ครับส่วนบุคคลผู้ที่ติดอยู่ในวัฏะหมายถึงส่วนผู้ที่มีความสําคัญในอารมณ์นั้นใช่ไหมใช่ครับ บันนี้ก็มีความหมายเกิดขึ้นมาว่าสำหรับการที่ประกาศาศาสนาของชาวพุทธเราอยู่ทุกวันนี้ซึ่งมีเรื่องจิดว่างมีเรื่องจิดว่างกับส่วนที่พวกหนึ่งเห็นว่าไม่ว่างดังที่เรามีการถกเถียงกันอยู <c oughs> เอ่เมื่อหากเมื่อหากคขาหมายแห่งความว่าว่างในทัศนะที่มีการลักณนประกาศกันอยู่นี้ โดยที่รับรู้อารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในปัจจุบันแต่เมื่อหากขณะชิตของบุคคลผู้นั้นก็รับรู้ว่าส่วนนั้นเป็นอารมณ์แต่ไม่ได้หมายความว่าละละจากความเห็นว่าเป็นอะไรกันอยู่อันนี้จะเป็นผิดในทางพุทธศาสนาหรือเปล่าเรื่องว่างนะฮะเรื่องว่างนี่นะผมได้อธิบายไปแล้วนี่ครับว่าคุณส่วนหนึ่งเข้าใจผิดในเรื่องว่างคือว่าว่าไปแล้วก็อดถึงเ่าทั้งตัวบุคคลไม่ได้ยังกับท่านพุทธทาสนะท่านแสดงเรื่องว่างท่านพูดดี ท่านเข้าใจพูดพูดว่างนะคือว่างจากโรูโกรดหลงว่างจากกิเลสท่านอธิบายอ่นี้เข้าใจง่ายผมไม่เข้าใจท่านผิดหรอกครับที่ศานอธิบายเรื่องว่างเนี่ยเข้าใจเข้าใจดีทีเดียวท่านหมายถึงว่าคํว่าว่างนี่ไม่ใช่ปฏิเสธว่าจิตไม่มีอะไรท่านเพิียงแต่ว่าจิตน่ะว่างจากกิเลสยังยังคิดว่าถ้าเป็นประทางทวีมุตส์ก็ว่างชั่วประเดี๋ยวกระดาในขณะที่ข่มอารมณ์ได้บางขณะถ้าเป็นนิสรณวีมุตส์หรือสมุเฉททวีมุตส์ ก็เป็นการว่างจากโรคโตรธหลงโดยสิ้นเชิงไม่น่าจะผิดแปลกอะไรนี่เรื่องือคิดว่างที่ท่านแสดงนี่นะะถ้าอิจารณาตามเนื้อหาของท่นเนี่ยครานี้ที่ไปเข้าใจผิดเน่ะก็เขราว่าไปไปเจอปัญหาวัดจิตเนี่ยไม่มีอารมณ์เลยเนี่ยครับมปพิเสธว่าจิตไร้อารมณ์จิตไม่มีอารมณ์ตอนตอนนี้แหละนักสุตตานิธรรมฟังแล้วก็ไม่ใครจะตกใจเพราะเหตุที่ว่าขัดลหลักในสภาวะนักิธรรมแต่ว่า ท่านจะพูดถึงว่าจิตไม่เคยมีอารมณ์ซะเลยอยู่ที่ไหนบ้างเขาก็จําไม่ได้ตะพูดหรือเปล่าเขาไม่รู้เพราะนั้นวิจารย์ยากเรื่อง น, นี้นะนี่พูดถึงเรื่องนตัวเขาบุคคลเขานีา้จะพูดโดยหลักกลางกางถ้าว่าตำแนวอภิธรรมถูกแล้วนี่ว่าตำแนวอภิธรรมนะผมมีนคนกลางกไม่เข้าใครออกใครพูดกลางกลเราเรียนรู้ธรรมะมากๆเรียนรู้พุทธศาส น, น, น, นานานานิกายไม่ติดนิกายเพราะเราเป็นชาวพุทธเราต้องเรียนรู้ธรรมะทุกๆมีกายเราไปรู้สิทธิจิจารมันจะรู้สิทธิกายผู้สิทธิพิจารพุกนิกาย ไม่ติดนิการเนหรือมหาญาณอินยานไม่ติดใครไปติดตึงนิการแล้วมันถือว่าห่างย่างห่างมากที่ยังติดตึงนาทีนิการเนี่ยนักศึกษาพษาุทธศาสนาที่ดีต้องไม่ติดนิการอันนี้สําคัญที่สุดถ้าไปติดนิการแล้วมีการนี่บางเราไม่เข้าถึงธรรมะคือว่าเราไปติดนิเการไอ้นีม่มหายาณไม่ใค่พูดเ่าไม่ศึกษาศึกษาแต่อินายานก็พอแล้วมหายาณนี่เป็นความเลยเลิ ก, ลอกของดีๆในมหาญาณมีเยอะแยะเราอศึกษาไม่ไม่มีไม่มีทางจะมาเปรียบเทียบ กับธรรมะในจิตายานได้หรู้แม้แต่ในมหายานด้วยกันเองน่ะมหายานจะ